จากนั้นก็กดโทรศัพท์หาเก่งเพื่อสอบถามอาการของวิทยวก็ได้รู้ว่าวิทยดื่มเหล้าจนน็อกหมดสติตอนนี้อาการโครม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยญาิต่างเป็นห่วงกันมาพัดก็เลยบอกเก่งว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปเยี่ยมวิทย์ที่โรงพยาบาลหลังจากวางสายแล้วเก่งก็ส่งรูปภาพของวิทย์มาให้พัดดูเป็นภาพของวิท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 วีตจากไปอย่างสงบแล้วเสียงร้องไห้จากหยาดหยาดก็ดังขึ้นในทันทีพ่อของวิตพยายามเก็บความเสียใจเอาไว้โอบไหลปลอบพี่สาวของวีต ท, ที่กำลังร้องไห้ผูมฝ่ายพอทุกคนเริ่มสงบลงจึงปรึกษาเรื่องการเคลื่อนศพของวิตออกจากโรงพยาบาลจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเช้าวันต่อมา หัดกับแป้งก็ไปโรงพยาบาลเพื่อส่งศพของวิทย์แป้งเห็นศพวิทย์เหมือนคนกำลังนอนหลับอย่างสงบหลังจะปิดฝาโรงแล้วก็นำขึ้นรถกระบะของมูลนิธิพ่อของวิทนั่งอยู่ท้ายกระบะข้างๆลงศกเพื่อโยนเหรียญตามทางเพราะเชื่อว่าจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้วิญญาณของวิทย์ตามรถกลับไปที่บ้านเกิด